พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนาะหมวดว่าด้วยจิตใจใหญ่กว้างมีปัญญานำทางอยู่ยังมีสติพระองค์ผู้เจริญถึงแม้ข้าพระองค์ชราแล้วเป็นผู้เท่าผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับก็ตามขอพระผู้มีพระภาคสุคตเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์แต่โดยย่อเถิด ข้าพระองค์คงจะเข้าใจความแห่งพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคได้เป็นแน่ข้าพระองค์คงจะเป็นทายาทแห่งพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคได้เป็นแน่นี่นะ่มาลุงกยบุตรท่านเห็นเป็นประการใดรูปทั้งหลายที่พึงรู้ด้วยจักสุขอย่างใดใดซึ่งเธอยังไม่เห็นทั้งไม่เคยได้เห็นทั้งไม่เห็นอยู่ทั้งไม่เคยคิดหมายว่าขอเราพึงเห็น ความพอใจความใคร่หรือความรักในรูปเหล่านั้นจะมีแก่เธอไหมทูลตอบว่าไม่มีพระเจ้าค่ะเสียงกลิ่นรสโพตัพธรรมารมทั้งหลายอย่างใดๆเธอไม่ได้ทราบไม่เคยทราบไม่ทราบอยู่และทั้งไม่เคยคิดหมายว่าเราพึงทราบความพอใจความใคร่หรือความรัก ในเสียงจนถึงธรรมารมณ์เหล่านั้นจะมีแก่เธอไหมทูลตอบว่าไม่มีพระเจ้าค่ะมาลุมกะยอบุตรบรรดาสิ่งที่ได้เห็นได้ยินรู้ทราบเหล่านี้ในสิ่งที่เห็นเธอจักมีแค่เห็นในสิ่งที่ได้ยินจักมีแค่ได้ยินในสิ่งที่ลิ้มดมแตะต้องจักมีแค่รู้ ในสิ่งที่ทราบจะมีแค่ทราบเมื่อใดเธอมีแค่ได้เห็นได้ยินได้รู้ได้ทราบเมื่อนั้นเธอก็ไม่มีด้วยนั่นอัตถกถาอธิบายว่าไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำเมื่อไม่มีด้วยนั่นก็ไม่มีที่นั่นอัตถกถาว่าไม่ผัวพันหมกติดอยู่ ในสิ่งที่ได้เห็นเป็นต้นนั้นเมื่อไม่มีที่นั่นเธอก็ไม่มีที่นี่ไม่มีที่โ น, น้นไม่มีระหว่างที่นี่ที่โ น, น้นคือไม่ใช่พบนี้ไม่ใช่พบโ น, น้นไม่ใช่ระหว่างพบทั้งสองนั่นแหละคือที่จบสิ้นแห่งทุกพระมาลุงกยอบุตร สะดับแล้วกล่าวความตามที่ตนเข้าใจออกมาว่าพอเห็นรูปสติก็หลงหลุดด้วยมัวใส่ใจแต่นิมิตหมายที่น่ารักแล้วก็มีจิตกำหนัดติดใจสวยอารมณ์แล้วก็สยบอยู่กับอารมณ์นั่นเองเวทนาอันหลากหลายอันก่อกำเนิดขึ้นจากรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น จิตของเขาก็คอยถูกกระทบกระทั่งทั้งกับความอยากและความยุ่งยากใจเมื่อสังสมทุกขอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าไกลนิพพานโดยในญยะเดียวกันพอได้ยินเสียงพอได้กลิ่นพอลิ้มรสพอถูกต้องโผฏฐพะพอรู้ธรรมอารมณ์สติก็หลงหลุดก็เรียกว่าไกลนิพพาน เห็นรูปก็ไม่ติดในรูปด้วยมีสติมั่นอยู่มีจิตไม่ติดใจสวยเวทนาไปก็ไม่สยบกับอารมณ์นั้นเขามีสติ ด, ดาเนินชีวิตอย่างที่ว่าเมื่อเห็นรูปและถึงจะเสพเวทนาทุกก็มีแต่สิ้นไม่สังสมเมื่อไม่สังสมทุกอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าใกล้นิพพาน โดยในยะเดียวกันได้ยินเสียงได้กลิน่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธภิภะละจนถึงรู้ธรรมอารมณ์ก็ไม่ติดในธรรมอารมณ์โดยมีสติมั่นอยู่ก็เรียกว่าใกล้นิพพานด้วยเหตุเพียงไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวาร คนบางคนเห็นรูปด้วยตาแล้วยอมน้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารักยอมขุนเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักมิได้มีสติ ก, กำกับใจมีใจเล็กจ้อยอยู่ไม่เข้าใจตามเป็นจริงซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทำให้บาปอากุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขาดับไปได้โดยไม่เหลือ โดยในญาติเดียวกันฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นต้องผดทพะด้วยกายละจนถึงทราบธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมน้อมรักฝากใจในธรรมอารมณ์อันน่ารักย่อมขุนเคืองขัดใจในธรรมอารมณ์อันไม่น่ารักด้วยเหตุเพียงไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวาร ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่น้อมรักฝากใจในรูปที่น่ารักไม่ขุนเคืองขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักมีสติ ก, กำกับใจเป็นอยู่อย่างผู้มีจิตกว้างขวางไม่มีประมาณเข้าใจตามเป็นจริงซึ่งความหลุดรอดปลอดพ้นของจิตและความหลุดรอดปลอดพ้นด้วยปัญญาที่จะทําให้บาปอากุศลธรรมซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเขา ดับไปได้โดยไม่เหลือฟังเสียงด้วยหูละจนถึงทราบธรรมารมด้วยใจย่อมไม่น้อมรักฝากใจในธรรมารมอันน่ารักไม่ขุนเคืองขัดใจในธรรมารมอันไม่น่ารัก